ตานสายด้วยชนบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงมาพบกับบรรดาญาโยมบริษัทในเรียงราเขาวเาไปสันดอนต่อไปเป็นนันว่าตอนนี้เทวดาพาท่านสองกุมารข้าจะมาพบพระเจ้าปู่เป็นเหตุให้ตาชโชกตับสินใจผิด คิดว่าทางที่จะไปเมืองเคียกุดอนเป็นทางที่ไปเมืองกริิงคระลาดแต่ความจริงก็ดีแล้วทังนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าแกไปเมืองกริงคราดดีไม่ดีชูชกแกก็จะเป็นคลั่งขึ้นมาทังนี้เพราะอะไรเพราะว่านามิตรดาผู้เป็นพัญญาที่รักที่แกมีความหวงแหนที่สุดรักมากที่สุดยิ่งกว่าชีวิต เวลานี้น้องรักได้กลายเป็นอ ม, มิตรคือมีโชว์ไปแล้วก็เป็นันว่าแกหลงทางนําก็ถูกแต่ถ้าว่าทางนี้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเทวดาที่พระเวสสันดนที่จะออกจากเมืองมาอยู่ป่าก็เป็นเรื่องของเทวดาโดนใจเพื่อจะได้มีโอกาส เลาให้บทเป็นฐานให้ปัญญาเป็นฐานเพื่อพระโพธิญาณในรายการนี้สองพระเวสสันดรจะได้มีโอกาสบำเพ็ญในธขมะบารมีท่ากล่าวกนว่าในการที่เป็นพระเวสสันดรนี้บำเพ็ญบารมีครบสิบอย่างเป็นปรมาธบารมีทั้งหมดอย่างทานบารมีศีลบารมีปัญญาบารมีสัจจะบารมีทิ่ทานบารมีเนธรมะบารมี แล้วก็ขันติบารมีเมตตาบารมีมันหมดทุกอย่างอ <c oughs> ีการบำเพ็ญทานนี่แต่ได้อย่างแต่ได้คราวบำเพ็ญ บ, รบา ร, บรมีทั้งหมดจะเต็มครบ <c oughs> เล่าเรื่องของท่านต่อไปแตงกล่าวว่าเมื่อตาชูชกพาสมุมานเข้าไปเข้าไปแทนที่จะเข้าทั้งเขตเมืเเองเชียงกุดดอน กลับเข้าไปในชายาละครเข้าไปในเขตเมืองเลยแม่รู้สึกว่าเทว ด, ดาทั้งสงเคราะห์เป็นกรณีพิเศษทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นบุญบา ร, รมีขององค์สมเด็จพระบรมโลกกเกชที่จะสร้างความดีเทว ด, ดาก็ประคับปรคะรคะรองรับการทั้งปวงเป็นนั้นว่าทั้นกล่าวว่าในคืนวันนั้นพระเจ้ากรุงสนชัยแห่งกรุงเชคุดร ทรงพระสุ บ, บินคือว่าฝันไปว่าขณะที่พระองค์มาทับอยู่หน้าพระดี่นั่งมหาวินจชัยได้มีบุคคลดำนำเอาดอกประทุมทั้งสองดอกมาน้อมถวายวางลงตรงที่ประหัตโรงทรงรับมาทัดไว้บนพระกันคือบนหั พลังเกสรก็ร่วงลงตรงที่พระอุระพอดีคือที่อกอุระในอก ท, ท่านทรงตืน่นบรรทมจึงได้ตรัสให้โหราจาัยเข้ามาเฝ้าแล้วก็ทํำนายพระยาโหราธิ่พอดีจะถวายนด้ไกราบทูลว่าข้าแต่สมมติเทพพระราชาองค์ของพระองค์ซึ่งจากไปนานแล้วจะเข้ามาเฝ้า พระองค์ทรงพระปรีชาปราโมทปรีดาปราโมทมากจึงได้รีบสเด็จออกไปรประทับนาที่นั่งพระมหาวินิจฉัยกา <c oughs> นานั้นเทพเจ้าทั้ทงหลายก็บรรดาลให้ตาโชูชกพาสองกุมารมาปรากฏอยู่ที่หน้าพระรังหลวงพอดีนี่เป็นเรื่องของเทวรรดาดนใจนะ บ, นาญญาบรรดาย่าโยพระตบดิษฐ์ทั้งหลาย พระพุทธเจ้าทรงไต่กับพระเองในเรื่องนี้นะพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าเทวดามีแล้วว่าการเคารพเทวดาเขบรรดาแทนปุทธบริษัทจะเคารพแบบไหนมันก็ดีทุกอย่างบางท่านเคารพว่าเทวดามีฤทธิ์บนบานสันกล่าวเทวดาอาตมาก็ว่ดี บางท่านกับหลูกสารปกครอถานที่เป็นเครื่องส ก, การะบูชาเทวดาอาตมาก็ว่าดีแล้การบูชาเทวดานี้ก็ควรจะถือเอาหัวใจเทวดาเป็นเรื่องสําคัญนั่นก็คือคนที่จะเป็นเทวดาได้ต้องทรงคุณธรรมสองประการคือหีริและอตตปะหีริได้แต่ความละอายแต่ความชั่ว โอตปะมีผลดีคือว่าโอตปะเกรงกลัวผลองความชั่วใจผลเป็นทุกข์อันนี้คนที่เป็นทวันดาลได้ก็ต้องอาศัยกำลังใจว่าก่อนที่จะตายในกำลังใจเขาผ่องใสใจตั้งอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกนุศลอารมณ์ประเภทนี้คือไม่เป็นอารมณ์ที่ไม่ทำตนให้เป็น่ให้เป็นทุกข์มีอารมณ์เป็นสุขคือผ่องใสในทานสินภาวนา แต่ว่าจะมีใจพอตาใจในทางก็ดีพอใจในศีลก็ดีพอใจในภาวนาก็ดีหรือว่าจิตใจยันน้องมันได้านความกตัญญูรู้คนก็ดีเพียงเท่านี้แล้วก็ตายก็ไปสวรรค์เป็นเทวดานี่เป็นอันว่าคนเีียะเป็นเทวดาได้เพราะอาศัยความดีขึ้นหนึ่งอายความชั่วก่อนจะตาย สองเกรงกลัวผลของความชั่วใจผลเป็นทุกข์เป็นเทวดาหากว่าท่านจะบูชาเทวดานั้นบูชาได้ไั้สองอย่างคืออามิสบูชาก็ได้ปฏิบัติบูบชาก็ได้ถ้าอามิสบูชาก็หมายความให้ข้าวให้น้ําให้ดอกไม้เครื่องเสกานะ <c oughs> ปลูกสารให้แก่เทวดาทั้งนี้เพราะว่าถึงแม้ว่าเข้าไม่ถึงใจเทวดา เราก็ยังเข้าถึงผิวของเทวดาได้ในหมายความว่าเมื่อท่านดีแล้วก็ยินดีกับความดีของท่านเป็นว่าจัดว่าเป็นอป จ, จายนักรรมคือการอ่อนน้อมในได้ของความดีเหมือนกับเราเห็นคนทีก็มีความดีคนมีความเลิศประเสริฐก็ในคุณธรรม เราไม่สามารถจะปฏิบัติตามเขาได้แต่ว่าเรายินดีในความดีของท่านการคบหาสมาคมยินดีในความดีไม่ช้าความดีมันก็จะซึมเข้ามาทิ้ง ใ, ใจเราค่อยๆตายกันไปแต่มกาลังใจที่มันจะพึงมีข้อ น, นี้มีอุบมาชั้นใดแม้ในการบนบานสังกลา่าวไว้ เคารพนบนอเทวันดาได้ความเคารพก็จัดว่าเป็นความดีแต่ความดีสงสุติองสมเด็จพระจินทส์ศรีทรงทันเสกก็คือให้ปให้โบชาความดีไ ด, ได้ได้กับคุณธรรมของเทวดาคือฮีดิโลตปะแต่ไม่เป็นไรนะเขาก็เดินเขาเข้าอยู่ในบ้านได้มีความสุข เราเข้าถึงภายในบ้านไม่ได้แต่อยู่เฉลียงบ้านมันก็พอมีความสุขเหมือนกันฉะนั้นขอวันดาท่านพุตธบริสัทธ์ทุกท่านที่ท่านปลูสารยอมเคารพนกนอ บ, บ, บเทวดาก็ดีเอาอาหารการบริโภครูปไม้ขนมนมเ น, มนยไปให้เทวดาก็ดีทางนี้ถึงว่าจะไม่ถึงแต่งของเทวดาก็ยังถึงผิวของเทวดาเป็นว่าเราอยู่ในเขตของแสงสว่าง แต่เข้าไปไม่ถึงดวงโคมที่มันสว่างมากแต่ว่าอยู่ชายระแสงความสว่างก็ยังสว่างพอเห็นตัวเห็นหน้ากันได้ข้อนี้มีประมาณเช่นใดการบูชาเทวานิ้องสมเด็จพระจอมไตรปรมศาสดาปรับไว้เป็นการเจริญสมาธิที่เรียกกัว่าเทวตานุสติกรรมฐาน การนึกถึงเทวดาก็ถือว่าเป็นอนุสติเป็นความดีอย่างหนึ่งที่จะทําให้บรรดาเต็พุทธบริษัทชายหญิงจะปราศจากอบายภูมิสีคือไม่ต้องเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์รีชานอันนี้เห็นไหมนะองสมเด็จพระวิษณ์มารยังสันเสริญดังนั้นใครเคยพูดว่าเทวดาไม่มีเนี่ยก็ไม่เรื่องของท่านผู้นั้น เพราะท่านบนนั้นไม่ได้มีความเคารพในองค์สมเด็จพระชินศรีบรมร า, า์สดาสมาสัพพตเจ้าเป็นเรื่องของท่านเราก็เราท่านก็ท่า น, อ, านอย่าไปสนใจกับจริยาของท่านท่านจะพูดอย่ายงไงก็เป็นเรื่องของท่านเราจะนับถีเราจะปฏิบัติยังไงมันก็เป็นเรื่องของเรานั้นบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัพพตเจ้า จงมั่นใจในความดีที่พระพุทธามรัที่องค์สมเด็จปัญจนาสีทรงตรัสว่าเทวดามีจริงนี่รับรองในเรื่องนี้นะท่านรับรองมาว่าทุกอย่างทุกสิ่งทุอย่างเป็นเรื่องเทว ด, ดาสงเคราะห์เอาเล่ากันต่อไปก็เป็นนั้นว่าพระองค์มีความบีนดาปราโมทมากนะพระเจ้ากรุงสนชัยจึงได้รีบรเสด็จออกประทับพระที่นั่งมหาวินิจฉัย ซึ่งในขณะนั้นก็บันดาลให้ตาโชชกเทวดานะเทวดาก็บันดาลให้ตาโชชกพาสองกุมารมาปรากฏที่หน้าพลานหลวงพอดีนี่ตาโชชกจะรั้วเ ม, มืองนี้เป็นเมืองข้าวเจ้าโปรแล้วก็ไม่ย่องเข้ามาหรอกเทวดาบันดาลขณะนั้นพระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นสองกุมารเข้าก็จึงตัดว่าเอ๊นั่นพวกเธอทั้งหลาย นั่งอยู่ที่นี่นะดูที่ตาแก่คนนี้นะ่ะมันจุงถุกกระชาติลากเด็กทั้งสองมานะนั่นเด็กทั้งสองนี่มีหน้าตาแจ่มใสดีมากคนหนึ่งในคล้ายพ่อประชาลีนะอีคนหนึ่งคล้ายแม่กันหาทรงตัดทรงตัดแล้วก็ตัดสั่งอมมาม่าตัวนี่นี่นี่จงไปบอกตาแก่ในหะ้เขามาหาฉันทีนะ เราเด็กสองคนนั้นมาด้วยดูที่ไม่ไขกันแน่นะตาฉันไม่แก่นี่พวกเธอช่วยดูหน่อยได้ไหมว่าเด็กสองคนนั้นมันนไขนะี่ฉันคิดว่าเด็กผู้ชายเนะี่ยเหมือนพ่อชาลีหลานฉันนะแล้วก็เด็กผู้หญิงก็เหมือนแม่กันหานะช่วยกันดูที่ตาเธอมันดีๆเอามาเต่มไหนก็มองไปอามาทุกคนเป็นคนดีก็มี แต่บานคนเป็นขุนพลอยพยักก็มีนะมีเหมือนกันเป็นมีทั้งสองฝ่ายเมื่อมีทั้งสองฝ่ายก็มองไปแต่ตอนนี้ใจเหมือนกัน <c oughs> ว่าดูว่าเด็กสองคนนั้นใครก็ทุกคนจําได้เพราะว่าท่านจากไปมีกี่เดือนเจนีนกราบทูลว่าใช่แล้วพระพุทธเจ้าค่ะเด็กผู้ชายคือพระเจ้ากันหาราชโกมาน เด็กผู้หญิงนั่นก็คือราชกุมารีคือว่าชารือว่าเอขอโทษเด็กผู้ชายคือชาลีเด็กเผู้เด็กผู้หญิงคือท้าวเจ้ากันหาราชกุมารและราชกุมารีพระเจ้ากรุงสุนชายบอกทายอย่างนั้นรีบๆไปไปไปเร็วเร็วไปเร็วเร็วนี่ีตาแก่มันจะพาหลานทองสองฉันมันไปที่ไหนที่จะตามกันยากเอาไปเร็วๆหน่อย เป็นนั้นว่าท่านก็เร่งครับเร่งรัดให้บรรดามาจนสองไปให้มันเร็วที่สุดที่พิงเร็วได้ให้อีตาแก่นั้นนําเอาสองกุมมารเข้ามาหาฉันมาดีใจตอนนี้ทับก็จะปูดีใจให้ตอนที่จะไปท่านก็ไม่เต็มใจให้ไปไม่เต็มใจให้ไปทั้งพระเวสสันดรทั้งมา น, นานมาสีจนสองทั้งกัญหาและชาลี แต่การจะไปเท่านั้นมันเป็นเรื่องของชาวบ้านชาเมืองเขาบังคับท่านต้องเห็นใจท่านเป็นแต่ว่าเทวดาก็บันดาลเพราะว่าต้องการให้ทั้งสองท่านบำเพ็ญบา ร, รมีเป็นกรณีพิเศษที่ว่าเป็นบา ร, รมีเต็มที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าต่อไปไม่ต้องไปเกิดเป็นคนบำเพ็ญบา ร, รมีต่อไป <c oughs> เป็นอนวุวาพระเจ้ากรุงสนชยัย เมื่อเขาพาพรามเข้ามาเฝ้าเจ้าได้สั่งให้แก้มัดสงุนมาณออกว่าที่นี่มีคนรักษาเยอะป้องกันเยอะไม่ต้องกลัวเด็กทั้งสองนี่มีเจ้าีด้ถามอีตาพรามโชชก่าขอบรามท่านนำเด็กทั้งสองนี้นี่มาจากไหนแล้วก็ท่านมาจากไหนและท่านก็จะไปไหน ทำไมจึงได้มาถึงที่นี่ในวันนี้แต่เช้าตาชูชกขณะที่ขัไปเฝ้าเห็นว่าเป็นพระมหากษัตริย์มีราชบริพานมากกว่าชักตกใจไเอ๊ะนี่มันเมืองอะไรกันแน่วะนี่กูตั้งใจจะไปเมืองกริงคราชไปหามิถันดานี่ ทำไมได้ปลาเข้ามาทังเมืองนี้เข้ามาก็ไม่ใช่เข้ามาดีดันมาเข้ามาอยู่ในเขตพระสถานนี่มันยังไงกันแน่ตกใจ <c oughs> แต่ถึงอะไรก็ดีตาชูชกแกก็เป็นโชูชกไปนักโพดนี่ได้กราบทุนว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐแต่กุมารนนะ้ำสองนี้มีคนบริจาคคือให้เป็นทางแก่าพระพุทธเจ้าพระเจ้าข่า ถ้าพระองค์ได้นำมาในระหว่างกลางป่านับตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ได้ก็มีกระนด15วันโอ้โห15วันนี้ตาจะชชกระสูจะกระชากลากมาแท้เท้เดวดาไม่ช่วยทั้งสองท่านก็ตายลำดับนั้นพระเจ้ากรุชนชัยจึงตรว่าท่านมีน้ำคําพูดที่ดื่มเพียงไร ยังมีคนให้เด็กเป็นฐานไม่ว่าท่านพูดเพราะขนาดไหนจับใจเข้ามากรลยเขาจึงให้เด็กมาเป็นฐานซึ่งไม่มีจะมีใครเลยใครที่ไหนเขาจะเชื่อท่านไม่มีใครเขาเชื่อไอ้การนี่จะยกลูกให้มาเป็นฐานเด็กนี่ก็น่ารักขนาดนี้เราเชื่อไม่ได้ดีไม่ดีท่านจะลักขโมยเด็กเข้ามานั่นนะสมัยนี้มันลักมันขโมยเด็กกันมาก เธอได้มาอย่างไรไหนตองว่าให้เราฟังให้เข้าใจถ้าหากว่าเธอลักลูกลักขโมยใครเข้ามาแล้วก็วันนี้ตายแน่เรามีนามว่าพระเจ้ากรงสนใสัยเป็นพระราชาแห่งกรุงเชียกุดรโอโ้โหชูชกตัวสั่นขวัญหาย <c oughs> เป็นนนว่าชูชกก็ทูลสนองว่าใครก็ย่อมจะรู้จัก ท่านผู้มีพระไทยเหมือนก้นน้าในมหาสาคร น, นั่นคือพระเวสสันดรซึ่งสเสด็จอยู่ในปา่าได้พระราชทานแก่ข้าพระองค์มาพระเจ้าค่ะแน่เขาก็อ้านเลยอ่านเลยว่าพระเวสสันดร น, นิจใจดีใครๆก็รู้จักเป็นนั้นว่าการที่ได้มานี้พระเวสสันดรให้มา พระเจ้ากรุงชนชัยฟังแล้วก็ใจหายว่าแน่พระไทยว่าเด็กทั้งสองเป็นหลานของฉันแน่และพระเจ้าลูกเคปเวสันดอนคงไม่มีสมบัติอะไรจะให้ทานเพราะเธอพอใจในทานแค่นี้สองกุมารมาเป็นทานแกชูชกเอาละสิตามบัมาลีที่กล่าวว่าทันใดนั้นบรรดาอหมาทั้งหลายที่ไปชมกันที่นั่น ยี่นี่กล่าวตำหนิพระเวสสันดรว่าแหมช่างกะไรเลยนะช่างกะไรเลยช่างให้มาได้ช้างม้าวัวควายทรัพย์สินเงินทองซึ่งเป็นของควรให้ก็ให้ไปเถิดทีกทำไมพระองค์จึงได้ให้พระราชโอรสพระาชิติดาเป็นทานอย่างนี้เราแหมตำหนิตำหนิ เขาตำหนิพระเวสสันนดรแล้วก็ทั้งนี้ก็เห็นใจกันหารชาลีตอนนั้นได้กล่าวว่าท่านชาลีได้สนับคำกราบทูลก็คำปลารพบแบบนั้นจังได้กราบทูลพระเจ้าปูว่าค่าแต่ฟ้าเยาีกาแต่ว่าของที่ควรให้ไม่มี ุคนจะให้อะไรแล้วพระเจ้าค่ะในแทนนี้เขาจะพูดกับหมาแต่คล้ายๆกับท่าพระเจ้ากรุงรุนชัยเป็นประธานสภาทุกคนก็พูดขึ้นกับประธานพระเจ้ากรุงรุนชัยจึงกล่รว่าหลานเอ่ยปู่เนี้ยรู้น้ําใจบิดาของเจ้าดีปู่ไม่ติเตียนเลยแต่ว่าอยากจะรู้ว่าบิดาของเจ้าน่ะเมื่อบรรจิกจากเจ้านั้นมีอาการเป็นยังไงบ้าง ญาเยรูท่านบัชาลีก็ตรัสว่าพระราชาวินดาก็ทรงกันแสงไม่เจ้าค่ะเห็นชูชกมัดฆ่าพระพุทธเจ้าทั้งสองใช้ไม่เรียวเข้าไปเคี่ยนตีหน้าพิธีนั่งพระราชวินดาก็ก้มหน้าน้าตาไหลสงสารฆ่าพระพุทธเจ้าทั้งสองแต่ว่าทาอะไรก็ไม่ได้ แค่นี้เพราะว่าให้เขาแล้วแล้วจิงสดเด็ดเข้าเขาหน่อยบรรณาสลาพระเจ้าค่ะแต่ว่าขณะที่เดินไปเห็นเหลียวหน้าเห็นหลังน้ำตาลนองทั้งสองข้างและวอาตุชนหลั่งไหลมาไปที่สังเกตไปไง่ายเป็ว่าตอนนี้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลาย <c oughs> ความจริงคุยกันแล้วเพราเวทสันดรนี่มันต้องตอนเสียงดีดี อนเวลานี้เสียงมันเหมือนกระทาแตกเนี่ฟังแล้วก็แค่นั้นแหละนะไม่ไม่ไม่ชื่นใจเท่าตอนฟังเสียงดีๆท่านเรียนพระเจ้ากรุงสุนชัยเกิดนพึงในใจว่าอานิจจาเอย๋ยหลานรักแตงสองของปู่กระตันตัดว่านะสุนชัยว่าหลานรักของปู่ทําไมไม่ขึ้นมานั่งบนตักมันได้ก่อนลนะ่าหลาน เวลานี้หลานของปู่ก็มาอยู่กับปู่แล้วนี่เมื่อก่อนนี้หลานเคยนั่งบรนตักของปู่เคยกอดคอปู่คีคอปู่ทุกสิ่งทุกอย่างปู่เคยให้อภัยมีความเมตตาปราณีหลานนั่งสองทั้งหลังหานสองมาประการใดเวลานี้หลานนั่งสองก็มาอยู่กับปู่แล้วนี่หลานรัก ะขึ้นนั่งตักเทหลานแต่ขี่คอปูก็ได้กอดฟอกก็ได้หัวนคอเล่นก็ได้ตามใจทุกอย่างปูยังถือว่าเป็นปู่ของหลานและหลานก็ยังคิดว่าปูก็เป็นปูของหลานตามเดิมนะปู่ยังไม่คลายความรักทั้งหลานทั้งสองด้วยยังไม่คลายความรักทั้งบิดาดามันดาของหลานทั้งสองด้วย ที่ จ, จําย้ายบินดาลามันดาของหลันสองออกไปแถวนั้นก็เพราะว่ารัศดรก็พากันขับไล่ไม่ใช่ปูกขับแต่ตอนที่ออกไปอาปู่ก็มีน้ําใจเหมือนพ่อของเจ้านั่นแหละที่พ่อของเจ้ามาลาพ่อวันนั้นแอลาปู่วันนั้นปู่ไม่ยอมพูดด้วยจะหันข้างให้พ่ออะไรเพราะน้ําตามันจะไหล ปู่นั่นน่ะตาตกในมาตั้งแต่วันนั้นนหลานนะตั้งแต่พ่อของเจ้าเสด็จไปพ่อกับแม่และลูหลานทั้งสองป้ปู่นอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับมาตลอดเวลาปู่ไม่มีความสุขแต่วันนี้ปู่มีการคลายความทุกข์ไปมากดินหลานทั้งสองเข้ามาฉะนั้นขอหลานแลกคุณเป็นหลานลักของปู่ทั้งสองคนลงขึ้นมานั่งตักปู่หลานนะ เป็นอันว่าพระเจ้ากรุงธนชัยก็พันนาเวลาพูดกับหลานพูดไปก็น้ำตาคลอหน้าแต่คติยะมานะของกษัตริ <c oughs> ย์ย่อมจะมีไม่พันใดาการขึ้นลงมากแต่เ้ว่าวันนี้ทนไม่ไหวทนไม่ไหวเห็นหลานถูกถูกะช่างล่าเขามาถูกมัดแบบนั้น แล้วก็น้ําตาที่มันไม่อยากจะไหลไมันก็ไหลว่าจาใดที่เคยกล่าวอกไม้ก็กล่าวไม่ไหวพูดไปเต็มไปด้วยความเศร้าโศกและสะลดผะไทยฟาสุเดศีนั่นไส้ก็ไม่แจ่มใสตามปกติก็คงไม่เสียงไม่เหมือนเสียงอาตมาแล้วนะเ <c oughs> สียงอาตมามันเป็นเสียงเป็นหวัดเดี๋ยวเอาว่าตรงไหน่ะเอาถ้าไปทิ้ไงไปแล้วไปคุยเพลินไป ท่า น, นก็กล่าวต่อว่าเวลานี้ท่านนั้งสองกราบทูลว่าือขั้กนการหานะ่ะในกราบทูลก็จะปู่ว่าพระเจ้าปู่เจ้าค่ะเวลานี้หม่อมฉันนั้งสองนะ่ะตกเป็นบาวของพรามเสีแล้วจะทําเหมือนเดิก่อนก็ไม่ได้ต้องเจียมตัวอยู่อย่างนี้แล้วพระเจ้าค่ะหมายความเวลานี้นะข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองคนหนะลานทั้งสองเนี่ย พระราชบินดาทรงยกให้แก่สุชกในฐานะเป็นทาสเรียกถีว่าถ้าพระเจ้าเป็นหน่อนเนื้อเชื้อไขของกษัตริย์ก็ย่มไม่ถูกถ้าจะทำอย่างนั้นก็จะผิดกับราชประเพณีพระเจ้าค่ะจาเป็น จ, จําใจต้องเตรียมตัวอยู่อย่างนี้หม่ท่านชาลีนี่ท่านฉนลาดจริงๆเป็นนั้นว่าพระเจ้ า, รจากรุงสนชัยยังทรงตรัสกัหลนว่า โเอยหลานรักของปูพ่อของเจ้าเขาตีราคาวาเท่าไหร่ละเอาแต่เขาให้เป็นทาสเนะ่เป็นทาสมีเขาต้องตีราคาในะหลานนะเพราะว่าตาชูชกนี่แกเป็นคนจนเอาหลานเนี่ยสองคนไปแกก็คงเลี้ยงไม่ไหวเมื่อเลี้ยงไม่ไหวแกก็ต้องตีพ่อต้องตีราคามาว่าจะขายให้เท่าไหร่ขายให้ใครก็คนรจะตีราคา เมื่อมีราคาเท่าไรบอกปูม่มาที่ว่าพ่อตีราคามาเท่าไรบอกมาเถิดพระชาลีก็กาวทูลว่าสำหรับกระมงฉันพระราชาเป็นดาตีราคามาเท่ากับทองหนึ่งพันแท่งไปเจ้าค่ายแล้วสำหรับน้องกันหานี่พระเจ้าพ่อตีราคามาอย่างนี้หพือให้ช้างมารถและทาสหญิงชายอย่างละร้อย กับทองอร้อยแท่งพระเจ้าค่าเกตช้างร้อยเชียกม้าร้อยเชียร์รร้อยคันทาสหญิงร้อยคนทาสชายร้อยคนแล้วก็ทองร้อยแท่งพระเจ้าค่าถ้าหากว่ามีของมาถ่ายตามนี้แล้วข้าพระพุทธเจ้าก็เป็นไทยพ้นจากความเป็นทาสเพราะว่าพระ เ, เจ้ากรุงสนชยัยได้ฟังอย่างนั้นทั้งนี้สั่งอมาต ว่าจงไปนำทรัพย์จำนวนเท่านี้มามอบให้กับพรมรับเอาไปเถิดแมที่ท่านก็ดีจริงๆนะหากว่าท่านจะตุกตาบยึดตววบวกโูชกนี่แกเป็นขโมยเอาหลานของฉันมากรรมการทำร้ายกันหนอนเนื้อเจ้อไขของวงการษัตย์โทษของท่านต้องถูกประหารชีวิตแต่ว่าเราก็ยังคิดมีจิตเมตตาจะพระจะทานอภัยให้ติดตราตลอดชีวิต หรือว่าจะรอกลการลงอาญาไว้ก่อนนี่ถ้าไม่ทำกันก็ยังทำได้แต่ว่าท่านก็มีน้ำพระทัยดีเป็นี่เป็นพระพรที่พระอินทร์ขอไว้นีเฉะนั้นชูชกดีไม่ดีก็อาจจะถึงตายแใ น, นเมื่ออมตัดเอาพระเจ้ทรัพย์มาสำหรับการพระชาลีทองพันแท่ง สำหรับระนานกันหาคือช้างหนึ่งร้อยม้าหนึ่งร้อยรถหนึ่งร้อยค่าท่าจิ้งชาาอย่างหนึ่งร้อยทองร้อยแท่งแล้วเอามาถ่ายประ ม, มาณเพราะเจ้ากรุงขึ้นชัยก็ได้มอบทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้แก่ตายชชกว่านี่เช่นถ่ายถ่ายลายของฉันนะหลายของฉันเป็นสรภาพตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เธอไม่ต้องพูดอะไรทั้งหมดเวลานี้ฉันพูดคนเดียวพอเธอไม่ต้องพูดแล้วพระเจ้ากงหขุนใจก็ได้มอบประสาทเจ็ดชั้นให้แก่ชูชกอีกแนะ่ได้ทรัพย์แล้วก็ได้ประสาทเจ็ดชั้นโ ช, ชกอกก็บริภารอือ่าอชกอีกก็พาทาตบริวารหญิงชายช่วยนคนทรัพย์ไปเก็บไว้ขึ้นสู่ประสาท นั่งบนบันลังใหญ่บริโภคอาหารอย่างดีแล้วก็นอนบนที่นอนอันใหญ่ที่ชื่นชมพระเดชสมบัติของตนแหม่ชื่นใจชื่นใจฝ่ายพระเจ้ากรุงเชิญชัยยนดีทรงสมสขนขันนนพรกุมารณสอนพระอาบน้ำประดับปรดาตกแต่งด้วยเครื่องอภรรยเครื่องทรงให้เสวยพระกยาหารขั้นเสร็จแล้วพระเจ้าปู่ก็อุ้มพ่อชาลี พระเจ้าอาเจ้ายากขาอุ้มมากันหาด้วยความชื่นชมสมณัตอย่างยิ่งครางก็ตัดถามไปถึงพระเวสสันดรกับพ น, นางมาสีซึ่งพระราชาโกมารได้ได้กราบทูลระชาลีก็ได้กราบทูลให้ทรงทราบโดยดิเข็ดแต่บรรดาท่านพุทธรริสัตว่าจะรีบรับให้กันมาราจบก็ไม่จบซะแล้วสิทั้งนี้เพระาะอะไรเพราะเวลามันหมด ฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขออำมลาบรรดาสาวกข้อองค์สมเด็จพระบรมสุคตทุกท่านกลับไปก่อนขอสาวกข้อองค์สมเด็จพระจินนวจึงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนามงคลสมบูรณ์พลผลถ้าทุกท่านมีความปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี